ให้รู้ทันไหมใจมีความสุขยังไม่ทันเทศทก็มีความสุขแล้วนะใจมีความสุขก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปเองเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสัง่งเนี่ยเรียนรู้ตัวนี้ให้มากเลยนะเป็นขั้นเจริญปัญญามี คนมันบอกว่าหลังๆพ่อหลวงพ่อสอนขั้นเจริญปัญญานะคนรู้อะไรมันง่ายอย่างนั้นเลยหลอแต่ก่อนจะมาถึงขั้นนี้มันยากนะคือขั้นเตรียมจิตนะถ้าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับเจริญปัญญานะมาพูดขั้นเจริญปัญญากลายเป็นคิดเอาเองรู้สึกตื้นๆไม่เห็นจะมีอะไรนะคิดเอามันไม่ไม่เห็นธรรมะ ต้องเตรียมจิตให้พร้อมจนกระทั่งสามารถเห็นสภาวธรรมด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นกลางได้ความยากของการปฏิบัติอยู่ตรงการจะเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานี่แหละพะในขั้นเจริญปัญญาเนนะี่ยแทบไม่ได้ทำอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานม่ง่ายแต่กว่าคนคนหนึ่งนะจะตื่นขึ้นมาได้นะไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อก่อนแทบหาคนตื่นหายากมากเลยวัดวัดหนึ่งหาคนตื่นสักคนยังยากเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านดีนะเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ที่รู้ธรรมะนี่เยอะแยะเลยงทางอีสานนั่งรถไปกิโลสองกิโลก็มีองค์หนึ่งละวัดในะเรียงกันเป็นแถวเลยก่อนไปหาหลพุทธ ที่สี่เชียงใหม่หลงอุดอรนะที่อุดอรนี่มีหลวงตามหาบัวอยู่ในอุดอรเลยออกไปทางตอนตกหน่อยมีหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่อีกองหนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้ละอยู่ก่อนวัดหลวงปู่ขาวองค์นั้นก็พอนาดีไปทางตอนออกนะมีจันร์วันหลวงปู่ฟันอะไรเงี้ยนะ ยันไปนครพนมเช่นนั้นขึ้นมาทางเหนือในตัวเมืองเมื่อก่อนก็มีหลวงปูจป่จันทร์ปู่จันท์นะถ้าภาวนาเก่งจิตมีพลังมากนะเคยอยู่ฝั่งลาวลูกชายแล้วมนตรีเมืองลาวมันลดความกระจกมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเสียบเข้าไปในตา หมอบอกต้องผ่าพผ่าแล้วตาบอดอะ่ะพามาหาพระหนุกศิตรลกท่านก็พานั่งพุโทโธไปนะนั่งเพ่งเพ่งมันละลายออกมาตาไม่บอดหรอกท่านเลยอยู่เมืองราวไม่ได้ต้องหนีมาเมืองไทยคนไปยุ่งทั้งวันเนะไม่สบายมาลงบ้าบหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วละจะมรณภาพนะท่กลับวัด ถึงวัดลุกขึ้นเดินจงกรมเฉยเลยก็ภาวนามารณภาพไปเก่งไปหาหลวงปู่เทศนะก็จะเจอหลวงปู่บัวพาหลวงปู่บัวพาก็มีชื่อเสียงพิจารณากายได้ละเอียดที่สุดเลยต่ไปก็เจอหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เทศนะเลยไปเมืองเลยเนะี่ยเยอะแยะเลยทั้งน้ เมื่อก่อนครูบาอาจารย์เยอะนะแต่ว่ามันถดถอยลงไปทุกๆรุ่นคนที่จะสืบทอดไม่ค่อยมีมีน้อยก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนแต่คนแต่ก่อนภาวนาเนะี่ยเป็คนละสไตล์กับพวกเรายุคนี้คนแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์ไปนั่งสมาธิกัน เวลาฟังเทศก็นั่งหลับตานั่งเข้าสมาธิเคลิมๆไปท่านไม่ค่อยสอนมากหรอกน้อยองค์ที่จะเทศกว้างๆส่วนมากก็ต้องไปถามถ้จะตอบให้ที่ขยันเทศก็มีหลง ป, ปูดเทศถ้าไปทั้งคณเทศละหลวงปู่เหรี่ยญเทศเก่งนอกกนั้นไม่ค่อยพูดอะไรเงียบๆ เวลาไปเรียนเก็ต้องไปดูเอาเองบางทีทำผิดนานๆท่านเห็นว่าไม่ไหวแล้วท่านก็บอกให้บอกคำสองคำนะบางทีบอกไม่บอกแล้วเหมือนไม่ได้บอกหลวงพ่อเคยติดสมาธิจริงํำสมาธิแล้วก็ไม่เดินปัญญาอยู่ช่วงี่เจอหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็พูดเห็นหน้าแล้วนะ พดคนเราเดินทางไกลนะไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นไปเจอต้นไม้ใหญ่แล้วไ่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ไปแล้วล่ะจะบอกสักคำว่าติดสมาธิก็ไม่บอกนะ <c oughs> บอกแค่นี้อ <c oughs> ถ้าฟังเพลินๆนะโอ้หลวงปู่เล่านิทานนะไปเดินแล้วไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้นี่ตัวเลขอะไรนะคิดเป็นเลขคราวหนึ่งเป็นนวดหลวงปู่สาม หลวงปู่สามเนี่ยเป็นพระครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยด้านไม่พูดวันๆนะแทบไม่พูดเลยเงียบไปเยี่ยมหลวงปู่ดุลท่านก็ไปนั่งมองหน้ากันไม่พูดอะหลวงปู่ดุลก็ไม่พูดเหมือนกันนะลูกศิษย์อาจารย์พอๆกันหลวงปู่สามกลับวัดไปแล้วอุปชารหลวงพ่อเป็นหลานหลวงปูนะ่ดุลน่ะถามว่าทำไมไม่คุยกับหลวงปู่สามบ้างนะ ท่านอุตสาห์มาเยี่ยมไม่ทักทายเลยนะยกมือไหว้กันแล้วก็เลิกต่างคนต่างนั่งอยู่เป็นชั่วโมงทีโง่โมงบไม่มีธุระไม่มีธุระไม่พูดหรอกหลวงปูสามวันหนึ่งหลวงพ่ออยากได้บุญนะท่านไม่ค่อยสบายไปนวดท่านขอนวดนว ด, นวดไขยำขยาท่านใจลอยพอเราใจลอยปุ๊บไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอก นี่เมตตา ม, มากนะพูดตั้งประโยคหนึ่งอาจาไม่พูดเลยวันๆเต็มใจครับเต็มใจนวดต่อนมะื่ใจลอยครั้งที่สองก็ว่าอีกนะครั้งที่สามท่านว่ารู้เลยว่าอ๋อท่านสอนจิตเราหนีไปเราไม่เห็นจิตแอบไปคิดไม่เห็นว่าจิตหนีไปคิดแล้วแทนที่ท่านจะบอกว่าจิตหนีไปคิดแล้วรู้ไหมหนีไปคิดแล้วรู้นะเนี่ยทราบเธอตายหลวงพ่อต้องบอกแบบนี้เนาะ ท่านไม่บอกหรอกาไม่เต็มใจนวดก็อย่านวดเลยฟังแล้วไม่เหมือนสอนเลยเนาะสมัยก่อนใครจะได้ดีนะต้องทนมากๆเลยเขอดท น, นต้องช่างสังเกตเอาอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์นะท่านอยากสอนโดยไม่ใช้คำพูดตรงๆบางทีหลวงพูดลสอนเหมือนกันบางทีแต่สอนแล้วทำยากอย่าสรงจีดกนอก จบละแล้วทําไงอย่าส่งจิตออกนอกก็จิตมันออกนอกอ่ะพอไปถามท่านแล้วทำไงจิตไม่ออกนอกตอบมาอีกจิตมีธรรมชาติออกนอกเอา้าน่าจะภาวนาไงบอนะ <laughs> กอย่าส่งจิตออกนอกแล้วมาถามทำไงจิตจะไม่ออกนอกจิตมีธรรมชาติออกนอกเอ้ไม่ให้ออกนอกเราจะให้ตั้งอยู่ที่ไหนครับจิตไม่มีที่ตั้งนะแล้วจะทํำยังไงอ วนะ่ต้องทนนะทนค่อยๆภาวนาไปบางคําที่ท่านสอนนั้นใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจยิ่ท่านสอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงโอทําลายผู้รู้ทําลายจิตท่านก็ถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจําไว้ถ้าเป็นพวกเราจะทําไง ไม่เข้าใจเลยแล้วจะจำไว้ไหมไม่ไม่เข้าใจต้องถามนะคล้า <c> ย <ười> ๆให้ครูเฉลยข้อสอบให้หมดเลยนะแล้วเราก็ไม่ต้องทำข้อสอบเราท่องข้อสอบได้รู้สึกความรู้เราเยอะเอาไปคุยข่มคนอื่นได้แล้วลกูกศิษย์หลวงพ่อประโมท้องความรู้เยอะธรรมะในใจยังไม่พอมันแค่ความจำงั้นบางทีหลวงพ่อไม่ค่อยอยากให้ถามเยอะหรอก แต่บางคนก็จำเป็นต้องถามบางคนไม่ได้จาเป็นมีปัญหานิดนหน่อยๆน่อยนะก็ดูเอาหัดดูหลวงพ่อเคยสงสัยข้อหนึ่งนะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจหลวงปู่ ด, ดูลบอกว่าให้ดูจิตไม่อ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกเราก็มาดูจิตมันเป็นคนดูมันเหมือนมันอยู่ข้างบนเป็นคนดู สังขารมันปรุงอยู่กลางหน้าอกเนี่ยไอย้ตัวนี้ตัวทุกเลยผุดความทุกมันผุดจากตรงนี้แหละตัวไหนผุดขึ้นมาทีไรความทุกเกิดทุกทีเลยพวกเราเคยเห็นไหมมันผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยในตาําราเขาพูดถึงนามธรรมนะว่าผุดขึ้นจากอาตยรูปอัตยวัตถุนี่ตำลาของพระปริยัติ ท, ท่านเขียนนะท่านเคยบอกอัตยวัตถุอยู่ที่หัวใจ เป็นที่เกิดของนามธรรมไม่ได้เกิดที่หัวใจหรอกบอกว่ากลายเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจถ้าน้้ำเลี้ยงหัวใจสีนี้นิสัยอย่างนี้น้ำเลี้ยงหัวใจสีนี้น้ำนิสัยอย่างนี้มันไม่ได้มีน้ำเลี้ยงหัวใจสีไหนเลยนะทุกวันนี้เขาผ่าหัวใจได้ไม่เห็นเจอเลยที่สำคัญความรู้สึกทั้งหลายไม่ได้ฝุดขึ้นที่หัวใจมันฝุดขึ้นที่กลางอก ถ้าเรานิยามหาทายรูปหาทายวยวัตถุว่าเป็นที่เกิดของนมามธรรมก็ต้องบอกว่ามันอยู่กลางอกเนี่ยอันนี้เถียงอภิธรรมนะตำลาอภิธรรมอยู่ที่หัวใจองค์พระปริยัติท่านแต่งใหนมาจริงจริงมันผุดขึ้นตรงนี้เราเห็นมันผุดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ดูทีไรทุกๆุกทีเลยตัวเนี้ยตัวทุกเลยคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ดูทุกก็ต้องดูตัวนี้ หลวงปู่ดุลให้ดูจิตต้องดูตัวนี้แล้วจะดูตัวไหนทำไมหลวงปู่ดุลสอนขัดกับพระพุทธเจ้าไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นสาวกนะแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องจะต้องไม่ขัดกับพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อสงสัยเท่านั้นแต่ไม่สงสัยในคุณธรรมของหลวงปู่แค่สงสัยว่าแล้ว เ, เ, เราจะภาวนาต่ อ, อยังไงจะดูตัวนี้หรือจะดูตัวนี้ ว่าจะถามหลวงปู่นะเอาไว้ดูเองเอาไว้ดูก่อนถามซะทุกเรื่องไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเยอ่อนแอมากไปเอาไว้ดูรอดูดูไปเรื่อยนะหาคําตอบไม่ได้เจนหลวงปู่ดุลมรณภาพไปไปอยู่ใกล้ทางหลวงปุเทศขยับจะถามหลวงปุเทศนะจนหลวงปุเทศก็มรณภาพไปอีกเนหลวงปู่สิิมก็มรณะภาพหลวงพ่อพุ้นมรณภา พ, มภา พ, มภาพไม่ได้ถามสักองค์เลยนะ ไม่จะดูตัวไหนรู้ทุกข์ก็ดูจิตอะไย่างเงี้ยก็ดูของเรามาเรื่อยๆนะชจนวันหนึ่งก็เข้าใจตัวนี้ก็ทุกข์นะตัวนิ่มก็ทุกข์เหมือนกันตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตเนี่ยตัวทุกข์อันดับหนึ่งเลยถ้าเราเห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเลยจิตจะคืนจิตให้โลกสลัดจิตให้โลกที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นเองตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์เป็นหัวโจกของตัวทุกข์ ที่หลวงปู ด, ดูลบอกให้ดูจิตดูจิตมันเป็นการปฏิบัติถึงขั้นพระอาหารหันต์ที่พูะพุทธ้าบอกให้รู้ทุกรู้ทุกก็ถึงขั้นพระอาหารหันต์มันอันเดียวกันแต่ว่าถ้าเรายัางภาวนายัางไม่เข้าใจาก็ขัดกั น, นถ้าภาวนาไปเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวทุกเท่าตัวจิตหรอกนี้พวกภาวนา ไม่เต็มที่นะก็จะเห็นว่าตัวจิตนี้เป็นตัวสุขจิตนี้เป็นตัวสุขมากเลยเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกเราสังเกตไ้มความทุกข์มันแทรกเข้ามาแต่ตัวรู้นี่มีความสุขเราก็เลยคิดว่าตัวจิตเป็นตัวสุขเพอตัวจิตเป็นตัวสุขเราก็รักใคร่หวงแหนจิตปล่อยวางไม่ได้ถ้าวันใดเห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันจะปล่อยตัวจิตได้จิตนี่ตัวสำคัญเลย ถ้าวันใดเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะสาม โ, โลกธาตุนี้จะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วเพราะจิตนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าคือตัวเราเหนียวแน่นที่สุดถ้าวันใดเห็นจิตเป็นตัวทุกข์สามโลกธาตุนี้จะเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะตัวจิตเองอย่างเป็นตัวทุกข์เลยสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะสุขไปไม่ได้หรอกเนะสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ที่หยั่งเท้าลงแล้วจะมีความสุขเลย เกิดที่ไรก็เป็นทุกทุกทีมีความเกิดขึ้นที่ไรคือจิตอุบัติขึ้นในภพภูมิใดก็ตามที่มีความทุกทุกทีเลยเพราะว่ามันทุกแนบอยู่ที่ตัวจิตเองตัวมันเป็นตัวทุกถ้าเราเห็นจิตเป็นตัวทุกแล้วสามโลกธาตุนี้จะเป็นทุกทั้งหมดนเหมือนที่ว่าถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วสามโลกธาตุนี้จะไม่ใช่เราทั้งหมดยในความเข้าใจในเรื่องจิตนะเข้าใจได้ไม่คล้ายๆเข้าเป้า ตรงประเด็นแต่บางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนอาศัยดูกายไปกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใครดูแล้วก็จิตเป็นคนดูแต่จะดูจิตยังไม่มีแรงมาดูก็ไปดูร่างกายหรือมีแรงมากขึ้นดูจิตยังไม่เห็นจิตออกคนจะดูจิตเห็นจิตได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลจริงๆนะปุถุชนนันเห็นเจตสิก ไม่เห็นตัวจิตเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเช่นเราไม่เห็นตัวจิตหรอกแต่เราเห็นว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสุขทุกข์โลภโกรธหลงไม่ใช่จิตเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเท่านั้นแต่ว่าเราดูจิตตรงๆไม่ได้ไม่สามารถเห็นจิตเป็นไตรลักษ์ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปร่างไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้มันเป็นธรรมชาติรู้ที่ว่างเปล่าตัวมันไม่มีอะไรให้สังเกตได้เลยแต่เราจะสังเกตความมีอยู่ของจิตได้โดยอาศัยผ่านเจตสิกเช่นเราได้เห็นว่าจิตช่วงนี้มีความสุขแต่มาจิตก็มีความทุกข์จิตเฉย จิตโลภจิตแล้วไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูเราเห็นมันมีความเปลี่ยนไปเลยทีแรกเราก็คิดว่าจิตมีดวงเดียวแต่ว่ามีความรู้สึกเนี่ยแทรกเข้ามาความรู้สึกนี้เปลี่ยนแต่จิตไม่เปลี่ยนคิดว่าจิตมีดวงเดียวอยู่ต่อมาภาวนามากเข้ามากเข้านะเราจะเห็นจิตที่โกรธก็อันหนึ่งนะแล้วก็ดับลงไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นแล้วเกิดจิตที่ไม่โกรธขึ้นมา จิตที่ไม่โกรธอยู่ชั่วคราวก็ดับไปนะเกิดจิตอย่างอื่นขึ้นมาเช่นจิตโลภหรือกลับมาจิตโกรธอีกก็ไดนะ้หรือจะเกิดจิตที่มีสติมีปัญญาต่อก็ได้เราเลือกไม่ได้เราจะเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ดวงเดียวนะถ้าตราบใดที่เรายังเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆหรือวิ่งไปเรื่อยๆ อันนี้เรียกว่าสันติยังไม่ขาดยังยังไม่เป็นวิปัสนาแท้อย่างพวกเราคนไหนรู้สึกว่าจิตวิ่งได้บ้างเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปฟังแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้ววิ่งกลับมาพวกเราคนไหนเห็นอันนี้บ้างพอนานแล้วเห็นอย่างนี้นะเรายัางคิดว่าเป็นตัวเดียวความจริงถ้าสติปัญญาละเอียดขึ้นจิตไปดูเกิดแล้วก็ดับ จิตไปฟังเกิดแล้วก็ดับไม่มีจิตวิ่งไปวิ่งมาที่เราเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมานะมันเป็นภาพหลวงตาเหมือนเราดูตัวการ์ตูนะน่ะหนังการ์ตูนมันเป็นรูปแต่ละรูปใช่ไหมรูปแต่ละรูปไม่เคลื่อนไหวหรอกแต่รูปแต่ละรูปมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเราเลยรู้สึกว่าตัวการ์ตูนมีอยู่จริงๆแล้วเดินได้ด้วยวิ่งได้หัวล้อได้ทําอะไรต่ออะไรได้ที่จริงมันเป็นรูปแต่ละรูปที่เกิดแล้วดับไป จิตนี้ก็เหมือนกันจิตไม่มีการวิ่งไปวิ่งมานะไม่ได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่จิตมันเกิดแล้วมันดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเนะนี่เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจะเห็นนะจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าเราเห็นอย่างนี้นะปัญญามันจะแทงตลอดต่อไปเองจิตนี่ไม่เที่ยงหรอกไม่ใช่สิ่งที่เป็นอมาตะถาวร เพราะนั so ้นนอกจากจิตแล้วมัน like ก็ไม่มีอะไรอีกที่จะเป็นอมตะด้วยนะตัวจิตเองยังไม่อมตะเลยเพฉะนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นจิตเกิดดับอย่างแท้จริงนะในเวลาไม่นานบางทีเราก็เข้าใจแล้วทุกสิ่งนั่นแหละเกิดแล้วดับก็ทั่งตัวจิตยังเกิดแล้วดับเลยดับอย่างรวดเร็วเลยจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับ จิต ท, ที่ดีจิต ท, ที่ชั่วจิต ท, ที่สุขจิต ท, ที่ทุกไม่ได้เกิดแล้ดับหมดเลยเนี่ยถ้าเดินวิปัสสนาไปอย่างนี้นะไม่นานก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจิตรู้อันนี้ภูมิรู้ที่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับภูมิรู้ของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่มีตัวเราเห็นขันห้ามันทํางานนะแต่ไม่ใช่เราทํางานส่วนพวกเราเนี่ยมันจะมีเราอยู่ ขันห้าทำงานก็ไปตู่เอาว่าเราทำงานรูปมันเดินก็ไปตู่ว่าเราเดินจิตมันสุขจิตมันทุกข์ร่างกายมันสุขมันทุกข์ก็เป็นเราสุขเราทุกข์อีกมันคิดตู่เอาจิตมันโกรธขึ้นมามีความโกรธผ่านเข้ามาสู่จิตก็บอกเราโกรธเนี่ยเพราะไม่เห็นความจริงมันไม่มีเรากระทั่งตัวจิตที่คิดว่าเป็นเราเหนียวแน่นที่สุดนะยังไม่ใช่เราเลยเกิดได้ก็ดับได้ เราก็จะเห็นว่าตัวจิตเองนะก็ทำหน้าที่ของจิตคือนะหน้าที่รูนะ้ร่างกายก็ทาหน้าที่ของร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเวทนาก็ทำหน้าที่สุขทุกข์เฉยๆไปนะสังขารก็ทาหน้าที่ปรุงดีปรุงชั่วปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงไปแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองไม่มีเราเลยนะงิ่งถ้าเราสามารถเห็นได้นะจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะ แต่อาศัยการรู้ผ่านเจตสิกเราจะเห็นว่าจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วดับจิตที่หลงเกิดแล้วดับจิตฟุ้ฟงซ่านก็เกิดแล้วก็ดับทีแรกเราเห็นว่าจิตกับเจตสิกมันอันเดียวกันกนเห็นอย่างนี้อาศัยอย่างนี้ไปก่อนถึงจุดที่ปัญญามันมากพรอมีอเห็นหตัวจิตกับเจตสิกโค้ด้านกันแต่จิตก็เกิดดับด้วยพร้อมๆกับเจตสิก เป็นสิ่งที่เกิดดับพร้อมๆกันเจตสิก ค, คือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความสุขก็เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งความทุกข์เป็นเจตสิกโลบกกวดลงเป็นเจตสิกสติก็เป็นเจตสิกนะพวกนี้ปัญญาสมาธิอะไรเจตสิกเนั้นจิตเป็นแค่ตัวรู้เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เราอาศัย รู้ผ่านเจตสิกนะท่า น, นก็เห็นจิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญาพอทนะ่านจะเห็นเลยจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับคนละดวงกันจิตเกิดที่ตาก็ดวงจิตที่หูก็ดวงจิตที่ใจคนละดวงกันนะไม่ใช่อันเดียวที่วิ่งไปวิ่งมาอย่างถ้าพวกเราเห็นจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาก็ถือว่าเก่งแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อดูต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันอยู่ที่ตาแล้วดับที่ตา หลวงพ่อไปถามหลวงปูด่ดูลนะจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีที่ตั้งหรอกเพราะมันเกิดตรงไห น, นก็ดับตรงนั้นมันไม่ตั้งอยู่หรอกเนะนี่ยกว่าท่านจะท่านสอนมานะกว่าจะเข้าใจนะั้นนานอยูนะ่เห็นจิตมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปตัวตนไม่มีนะค่อยๆหัดรู้หัดดูนะเข้ามาดูจิตดูใจได้ก็ดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจดูจิตดูใจไม่ได้ก็ดูกายไปก่อน กลายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นคนดูพอเราไปดูบ้านมากๆเดี๋ยวเราก็เจอเจ้าของบ้านคือเจอจิตดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันแล้วดูไปเรื่อยๆอย่าให้จิตกับกายไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้เป็นมีดคนดูอยู่ต่างหากร่างกายเคลื่อนไหวมีคนดูอยู่ต่างหากค่อยๆฝึกไปถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ ทำสมะถะเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ต้องกังวลใจว่าปฏิบัติไม่ได้มันฟุ้งดูไม่รู้เรื่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หายใจอย่างเดียวไม่มีพุโทโธก็ได้หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปต่อไปมันจะรู้ทันจิตขึ้นมาหายใจไปพอมีแรงมากขึ้นนะหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตจะสงบลงไปก็รู้ว่าจิตสงบลงไปหายใจเล่นๆไปแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปมันก็จะกลับมาดูจิตได้ดูจิตได้ออกจากการทําในรูปแบบการนั่งหายใจนะทําอะไรเราก็ดูจิตมันทํางานได้ดูไปพอมันดูไม่ไหวมันก็มาดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้กลับมาทําความสงบอีกนะทำสมาธิพุโทโธไปหายใจไป พอมีเรียวมีแรงแลํากลับไปดูจิตได้อีกฝึกของเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆสะสมในที่สุดปัญญาแก่รอบก็เข้าใจความเป็นจริงจิตนี้ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราเลยก็ได้ธรรมะเบื้องต้นแต่มาปัญญาแก่รอบมากขึ้ น, นเห็นในกายนี้เป็นตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่ากายก็คือตาหูจมูกลล่นกายเป็นตัวทุกข์นั้นทําไร จิตมีความอยากมีความยึดนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบเขาก็เป็นทุกข์ไปด้วยถ้านะเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางกายปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายไปเห็นว่าไม่มีสาระเป็นก้อนทุกข์อันนี้เป็นปัญญาขั้นกลางปัญญาของพระอนาคามีขั้นสุดท้ายเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะหาสาระหาแก่นสารไม่ได้นะ เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ก็ปล่อยวางจิตได้นั่นที่สุดแห่งทุกข์แล้วเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายเลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกรทั้งตัวจิตนะเป็นตัวทุกข์แล้วกจะปล่อยรู้ทุกนี่กรู้ทุกแจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยละตันหาัตโนมัติจแจ้งนิโรธคือพระนิพพานอัตโนมัติอรหัตตะมักก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้น รู้ทุกข์ลาสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดมรรคขึ้นมาเกิดในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแวบเดียวเท่านั้นนี่เป็นศาสตร์ของพุทธเจ้านะค่อยๆฝึกไปรักษาศีลห้าไว้รู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปดูสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ปัญญาก็เกิดเป็นลำดับลาดับไปก็พ้นทุกไปเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาพระเจ้าสอนนะบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิเอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ